ทีนี้ต่อไปนะครับข้อสองว่าความเป็นผู้มีพระรัตนตรายนั้นเป็นที่พึ่งอาศัยคือความเป็นผู้มีพระรัตนตรายนั้นเป็นที่ไปในเบื้องหน้าอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีพระธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีพระสงฆ์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชื่อว่าตับปรายนะ ถ้าพูดในลักษณะ น, นี้นะครับมาชีวิตของเราเนี่ยนะจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะเอ๊ะพระพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งนี้อย่างไรคําสอนกล่าวถึงสิ่งนี้อย่างไรพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยนทะ่านมีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้นะกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับยกตัวอย่างเราจะเดินทางไปไหนสักแห่งเนี่ยนะครับก็นึกว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนน e, พ ร, รบะรพทำคำสอนกล่าวไว้อย่างไรพระสงฆ์ท่านปฏิบัติอย่างไรเราจะคบกับใครสักคนหนึ่งจะรู้จักใครสักคนหนึ่งเอ๊ะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านตรัสไว้อย่างไร พระธรรมคำสอนแสดงไว้อย่างไรพระสงฆ์เนี่ยท่านปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับเราก็เอาแบบนี้เอานะครับเรียกว่ามีพระัตระนัยนําหน้าเลยนะครับเอานําหน้าจริงๆเลยนะลักษณะนี้ทีนี้ต่อไปนะครับสิสภาวปะปัะจามณะนะนนะถ้าถึงความเป็นสิทธ์ละการเข้าถึงความเป็นสิทธ์อย่างนี้ว่าขอท่านทั้งหลายจงจํำข้าพเจ้าไว้อย่างนี้ว่าข้าพเจ้าเป็นอันเทวาสิกคือเป็นลูกสิทธิ์ของพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับขอเป็นสิทธิ์มางั้นเถอะเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิเลยมางั้นเถอะท่านว่าไงก็เอาปฏิบัติตามเรียนตามนะครับเกรงใจพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดและเกรงใจพระธรรมเป็นที่สุดเกรงใจพระสงฆ์เป็นที่สุดเลยนะครับนะไม่ขอเกรงใจใครแล้วเอาพระพุทธเจ้าเขาว่านะครับผมมาทําให้นึกถึงโอ้สมัยก่อนเนี่ยโอย้เราเนี่ยเที่ยวเกรงใจคนโน่นเกรงใจคน น, ون, ค น, นี้มานั่นงนึกทีหนึ่งนะเออนี่นะถ้าเรารู้สึกเกรงใจพระพุทธเจ้าเท่านี้นะ ได้ดีไปนานแล้วนะครับนะเราเคยเกรงใจใครไหมเราลองนึกดูนะคนนี้เราก็เกรงใจคนนู้นเราก็ไม่ค่อยสบายใจเป็นต้นเนี่ยนะดูเกรงใจเข้าไปหมดเกรงใจไปจนหมายมันโทสะนะมันวิตกกังวลไปหมดเลยนี่ถ้าหากว่าเราการเกรงใจแบบนี้เรียกว่าแคร์ใช่ไหมครับสมัยใหม่เขาใช้คําว่าแคร์นะทีนี้โ อ, อ้นี่นะถ้าเราเกรงใจหรือแคร์พระพุทธเจ้าขนาดนี้นะโอ้ได้ดีไปนานแล้วนะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งกันนั้นมาก็ตั้งใจว่าเราจะเกรงใจพระพุทธเจ้าที่สุดนะครับ นะนะว่าพราะองค์ตรัสไว้อย่างไรนะครับนี่ถ้าเราปฏิบัติไม่ดีก็จะขอแก้ไขนะครับจะเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วก็จะสํารวมระวังต่อไปถ้าผิดถ้าพลาดก็จะเห็นพยายามเห็นโทษนั้นโดยความเป็นโทษแล้วจะสํารวมระวังต่อไปเพื่อประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคนั้นนะครับทรงตรัสเอาไว้แล้วนะครับลักษณะนี้เรียกว่าศิสะพาวูปะคัมมะนะขอเป็นก้นกุติเลยนะครับเหมืนขอเรียนตามนี่แหละครับนะ สรุปนะถ้าพูดอย่างนี้นะพระไตรปิฎกต้องไปอ่านทั้งหมดนะครับ <c oughs> <laughs> พราะท่านสอนไว้อย่างนี้นี่นะครับไม่เรียนของท่านได้ยังไงอา่าวบอกว่าถือนับถือท่านเป็นสารณะนะครับอันนะถ้านับถือพระรัตนตรายเป็นสารณะอย่างนี้นี่นะครับการวิจารณ์พระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับก็ระวังเหมือนกันนะครับวิจารณ์พระธรรมแล้วก็วิจารณ์พระสงฆ์เหมือนกับที่วิจารณ์พระนนท์เมื่อกลางวันที่ผู้ใดผู้หนึ่งได้กล่าวไปเช่นนั้นนะครับลักษณะ น, นั้นเนี่ยเสียหายมากนะครับ ว่าถ้าวิจารณ์พระรัตนตรัยแบบนั้นเนี่ยเสียหายแล้วนะครับว่าตัวเองก็ไม่ได้มั่นใจจริงๆผมมาเดินคิดเมื่อกลางวันนี่ว่าเออนี่นะคนอย่างนี้นะขนาดพระอนุนเนี่ยท่านอยู่ใกล้พระพุทธเจ้านะเขายัางตําหนิพระอนุนเลยเนี่ย น, นะใกล้ชิดพระพุทธเจ้านะครับโอ้โหเดินรอบพระคันตกุตีวันละเก้ารอบเลยซ้ําไปนะครับแล้วพระอ น, นุนก็เข้าพระสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้นะครับยังบอกว่าเออพระอนุนเนี่นะครับ ฟังมากเกินไปบางกันเออน่าคิดนะครับว่าเออสัตว์ทั้งหลายนีย่ขนาดนี้จริงๆพระไตรปิฎกนี่มีมาได้ก็เพราะนั้นเป็นผู้ทรงจำเอาไว้ไหมครับครับผมก็ไม่เห็นคุณนะครับก็ยังนึกตำหนีโอ้โหนะครับคือทำให้เห็นว่า อ, อ, อปัสสุตะ บ, บุคคลเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่น่ากลัวที่สุดเลยนะครับ ผู้ที่ไม่ได้ยินได้ฟังผู้ที่ไม่ได้เรียนนะครับที่ไม่รู้ว่าอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรควรส่้างเสพอะไรไม่ควรส่้งเสพนี่ยนะครับน่ากลัวจริงๆนะครับภารชนทั้งหลายนี่น่ากลัวนะครับของเราเองถ้าเป็นภารชนแบบนั้นภารยะท่านคงกลัวเราเหมือนกันนะครับขอกราบพระนนท์ท่า น, นได้ไมารู้ทั้งโสดาบานันทั้งพระพระรหรันไปจบเรียบร้อยแล้วคนที่ ตำแหน่งตเตียนท่านยังไม่ได้อะไรสักอย่างครับยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะครับมีแต่ความเร่าร้อนด้วยกิเลสแต่ละวันแต่ละวันนะครับอยู่ด้วยความวิตกกังวลไม่รู้ว่านอนหลับสนิทหรือเปล่าไม่ทราบนะครับนะคนที่กล่าวที่ว่าเนี่ยนะครับที่จริงเขาก็มีอุปการะคุณกับผมนะคนที่ว่าเนี่ยนะนะครับนี่เคยถักเคยทําบางอย่างให้ผมม้วนกันนะครับทีนี้ต่อไปนะครับว่า ปณิปารตะนะการนบน้อมอย่างยิ่งในพระพุทธเจ้าเป็นต้นอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าขอกระทาการอภิวาทการต้อนรับการอัญชลีกรรมและสามีจิกรรมแก่วัตถุทั้งสามมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั่นแหละตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชื่อว่าปณิปาตะนะถ้าจะกราบก็จะขอกราบพระพุทธเจ้า ถ้าทำพระสงฆ์นี่ยนะถ้าจะต้อนรับก็จะขอต้อนรับพระพระตนะตรายนี่แหละถ้าจะทําอัญชลีกรรมก็จะอัญเชิญกรรมแก่พระตัตนะตรยัยถ้าสามีจีกรรมคือประพฤติชอบประพฤติชอบคืออะไรครับการกราบการไหว้การต้อนรับการเชื่อเชิญเป็นต้นเนี่ยนะก็จะทําแก่วัตถุสา ม, มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนี้แหละชื่อว่าปณิปาตะนะครับจริงอยู่ผู้ทําการ4อย่างเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ เป็นอันถือเอาสารณคมแล้วทีเดียวนะครับถ้าถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งใน4อย่างนี้นะสำรวจตัวดูนะครับ 1. อัตตะสัญญาตนะมอบกายถวายชีวิตโดยการปฏิบัติตาม 2. ตัดปรายนะมีพระพระุทธตนะตรายเนี่ยนำหน้าไปในทุกอารมณ์ 3. ขอเป็นสิเรียนแต่คำสอนเหมือนกันเถอะเรียนของพระตนะตรายนี่แหละส ขอนอบน้อมกราบต้อนรับทําอัญชลีกรรมสามีจิกรรมอยู่ในพระตนะตรานี้แหละถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งใน4อย่างนี้เรียกว่ามีศรณะนะครับเนี่ยนะถ้าทําทั้ง4อย่างก็แจ๋วนะครับบริบูรณ์สาธุอีกประการหนึ่งพึงทราบการมอบกายถวายตนอย่างนี้นะครับอัตตะสันิยตนะ น, นะแม้อย่างนี้ว่าข้าพเจ้าขอสละตนสละชีวิตเพื่อพระพุทธเจ้า ไปถือดาบเฝ้าพระเจดียด์เลยใช่ไหมครับอ๋อไปถือดาบเฝ้าเรือนโทเลยใช่ยังนั้นนะครับนะก็คือจะขอสละชีวิตเป็นต้นเนี่ยนะปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธบูชาเป็นต้นนั่นเองนะครับเพื่อพระองค์สอนยังไงก็จะไปทําตามนั่งแล้ว่างนั้นเถอะสละชีวิตปฏิบัติเอาชีวิตนั่นแหละเป็นประมาณเป็นกฎเกณฑ์อย่างนั้นเพื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อพระธรรมเพื่อพระสงฆ์ทั้งตนทั้งชีวิตทั้งจิตวิญ ญ, ญาณอย่างนั้นเถะ เป็นอันข้าพเจ้ า, าสละแล้วทีเดียวนะนะข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่แต่ขอพระพุทธเจ้าจงเป็นที่ระลึกเป็นที่ต้านทานเป็นที่ลีเกร้นทุกภัยของข้าพเจ้านะครับลักษณะนี้นะครับพระองค์เนี่ยโหจะ ก, กําจัดภัยนะครับทั้งหมดให้แก่เราชีวิตของเราทั้งหมดพระัตนตรายนี้แก้ปัญหาให้เราทั้งหมดนะครับยอมรับในลักษณะนี้นะครับ แต่อย่าลืมนะโอ้โหถ้าไม่เป็นพระหูสูและจะทำได้ยังไงนะครับถ้าไม่ศึกษาเรียนมากจริงๆนะครับจะถึงท่านได้ยังไงนะครับ ของดีๆเนี่ยนะครับถ้าไม่มีความรู้ก็ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระรัตนะตรายเนี่ยนะใช้คําว่ารัตนารัตนะเนี่ยนะครับเพราะเป็นของใช้สอยของคนมีบุญจริงๆนะครับถ้าคนไม่มีบุญไม่มีสติปัญญาเป็นต้นก็ยากที่จะได้ใช้สอยเหางอนกันขยกตัวอย่างนะเหมือนอิทธีรัตนะจักรรัตนะช้างแก้วมา้าแก้วของพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยนะครับต้องเป็นคนมีบุญมีความสามารถจึงจะได้ใช้สอยรัตนะทั้งหลายเหล่านั้น พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เหล่านี้ก็เป็นสรณะนะครับเป็นของดีเป็นของประเสริฐคนที่ต้องมีบุญมีสติมีปัญญานะครับรักความจริงนะครับจึงจะได้ใช้สอยสรณะทั้งหลายเหล่านี้นะครับคําว่าใช้สอยคือได้ตามและลึกถึงได้กราบได้ไหว้ได้บูชาเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้ถ้าหากว่าเข้าถึงความเป็นสิทธ์นะครับตัวอย่างเหมือนการเข้าถึงสรณะของพระมหากัสสปะเทระอย่างนี้ว่าเราพบพระาศาสดา ก, ก็เป็นอันพบพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วย เราพบพระสุคตก็เป็นอันพบพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเราพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นอันพบพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยโหนึ่งาศาสดาสุคตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคนะครับพระมรัคคสปานิอยอมรับว่าท่านเก่งมากนะครับพบแล้วท่านเข้าใจได้ทันทีในขณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านเข้าถึงความเป็นสิทธิ์อย่างนั้นนะครับแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนโดยการบวชโดยการให้โอวาทสมข้อน ะ, ะว่าหนึ่ง เข้าไปตั้งฮิริโอต ป, ปะอย่างแรงกล้านะครับในพิสูจน์ทั้งสามปูนคือปูนเทระปูนมัชิมะและก็ปูนนวะกะนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าฟังสิ่งที่เป็นกุศลก็จะเงี่ยโสดลงสดับนะครับในในกุศลธรรมทั้งหลายแล้วก็ข้าสุดท้ายครับจะไม่ละกายคตาสตินะครับจ ะ, จะบำเพ็ญกายคตาสติอันสหรคต ด, ด้วยความสำราญอันนี้นะครับ เพราะฉะนั้นให้อวาสาประการนะครับเพราะฉะนั้นท่านเป็นสิทธิ์จริงๆนะครับต่อไปนะครับเพิ่งทราบความเป็นผู้มีพระธรรมตรายนั้นเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเหมือนการถึงสาระของอรหกยักษ์อย่างนี้ว่าข้าพเจ้านั้นจะออกจากบ้านไปสู่บ้านออกจากเมืองไปสู่เมืองเที่ยวนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและความที่พระธรรมเป็นธรรมดีนะครับคามาคามังปุราปุรังนมัสมาโนเป็นต้นนั่นเองนะครับ นะอลาวัคยักนี่เขาโอ้พระพุทธเจ้านี่กว่าจะสอนเขาได้เนี่ยยากน้าดูมากันแต่ที่นี้พอสอนได้แล้วโหเชื่องจริงๆอะนะสำนวนอะนะเชื่องจริงๆบอกว่าจะไปที่ไหนก็จะตามกราบตามไหว้ย่างนี้แหละนะครับจะโคติดตามกราบตามไหว้ตามระลึกตามบูชานี่แหละนะครับเอาขนาดนั้นเลยนะครับเรียกว่ามีพระรัตนะตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้าตามตามกราบนะครับไม่ใช่ว่านำหน้าไปแล้วก็ไปเที่ยวทำอะไรให้ท่านเสียหายไม่ใช่นะครับตามกราบตามไหว้ ทำให้นึกถึงหมอคนนึ่งเขบอกว่าโอ้เขาไม่อยากไปเราอังกฤษทําไมบอกว่าไม่มีพระเจดีย์ว่างั้นอ <c oughs> หมอในเก๋งกันนะครับเขาเขาบอกเขาจะไปที่ไหนนะเขาจะระลึกถึงก่อนนะเจดีย์เขาว่างั้นก็ต้องไปเกี่ยวกบนะับน้ำประการพระเจดีย์เนี่ยนะครับเขามีสถานะเพราะฉะนั้นเออลักษณะนี้นะครับก็เป็ น, ปนมีพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้าอย่าง น, น้อยที่สุดสถานที่จะไปก็คือมีนิมิตแห่งพระรัตนตรัยนะครับเป็นพุทธเจดีย์เป็นต้นเนี่ยนะครับ ครับเป็นโครจ ร, ระสมปชัญญะไปถ้าจะไปอยู่วัดไหนก็ถามเอ๊มีพระไตรปิฎกไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมีพระสงฆ์ทั้งหลายประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีลในธรรมพระวินยัยเป็นต้นไหมเนี่ยนะครับก็จะได้เออมีพระรัตนตรายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าไปทําไมไปกราบไปไหว้ไปนอบน้อมไปทําบุญเป็นต้นนี่แหละนะครับไปขอฟังไปขอเรียนรู้เป็นต้นนะครับลักษณะนี้ชื่อว่ามีพระรัตนตรายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าส่วนการ น, บนอบน้อม เพิ่งทราบอย่างนี้ว่าครั้งนั้นแหละพรมายุพรามลุกจากอาสนะแล้วห่มผ้าเฉวียงบาซบเสียงแทบพระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าจุมพิษพระบาทของพระองค์ด้วยปากใช้มือนวดพระบาทและประกาศนามของตนว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ชื่อว่าพรหมายุพรามข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ชื่อว่าพรหมายุพราม คือเขานอบน้อมจริงๆนะครับเขามีอายุร้อยยีปีนะครับเป็นคณาจารย์ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับทีนี้เขาไปกราบซบเสียร น, นะครับใช้มือนวดใช้ปากจูบ ป, ประกาศชื่อประกาศโคลักษณะเนี่ยบ่งถึงว่านอบน้อมจริงๆนะครับสำนวนนะครแทบจะเอาศีรษะอยู่ใต้เท้านะครับเอาขนาดนั้นเลยลักษณะของการนอบน้อมจริงๆนะครับนนตัวอย่างของการถึงสไลสระนาคมแบบนอบน้อม ก็การนอบน้อมนั้นมีอยู่4อย่างด้วยสา ม, มารถแห่งการเป็นญาติหนึ่งความกลัวหนึ่งเป็นอาจารย์หนึ่งเป็นทักขินยาบุคคลหนึ่งนะครับใน4อย่างนั้นการถึงสรณะมีด้วยการนอบน้อมพระทักขินยาบุคคลไม่ใช่ด้วยเหตุอื่นนะครับไม่ใช่โอ้โหนอบน้อมวันนี้ญาติเรานะนี้กลัวหมากลัวเลยไหวซะหน่อยนะครับหรือว่านี้อาจารย์เราไม่ใช่นะครับดังนั้นจะต้องท่านเนี่ยเป็นผู้เลิศที่สุดนะครับอนนะุพุทธมังคละสามพุโทโธ ครับที่ประตูตะมนทรับผู้ประเสริฐกว่าสัตว์สองเท้านะครับเป็นต้นนั่นเองมันก็คือเนี่ยนะครับนอบน้อมในลักษณะนั้นนะครับในบทสวดที่สวดสวดกันเนี่ยนะทีจริงนะผมมาได้รับคําสวดที่โบราณอาจารย์ทั้งหลายเรียบเรียงให้คนของแต่ละจังหวัดเข้าสวดกันเข้าทํากันเนี่ยนะครับดีๆทั้งนั้นเลยนะครับที่จริงนะถ้าหากว่าเขาเข้าใจความหมายของบทสวดบทกล่าวบทอะไรของเขานะเป็นอย่างดีแล้วเขาก็ไม่เสื่อมจากพระรัตนตรายนะเนี แต่ตอนนี้เขาจําได้แต่บาลีแต่อัดไม่ได้แล้วนะครับเพราะอย่างเช่นวันที่เราไปทอดกรถิ่นวันนั้นนะฟังดูเขาสวดตอนที่เขาจะลากลับบ้านนะครับนีบทสวดแต่ละบทเที่งเขาเนี่ยนะครับมีการวันทาเป็นต้นมีการขอขอมาพระัตนะไตรมีการสวดชื่นชมคุณของพระัตนะไตรโดยประการต่างๆแต่ว่าน่าเสียดายเขาได้แต่บาลีนะครับหมายความว่าได้แต่พยัญชนะถ้าได้อัฏฐะด้วยนะครับจะ จะดีอ ย, อย่างมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงเป็นภาระของอาจามหานะช่วยสงเคราะห์เขาหน่อยนะครับครับนั่นแหล ะ, ล <c oughs> หละผมก็อัดเชสนาแล้วนะครับนะครับต่อไปว่าเพราะว่าคนจะถึงสารณะด้วยอำนาจแห่งคุณที่ล้ำเลิศของพระตนะตรายนั่นเองจะขาดก็ด้วยมสา ม, มารถแห่งการยึดสิ่งอื่นว่าประเสริฐกว่า เพราะฉะนั้นผู้ใดไหว้ด้วยคิดว่าท่านผู้นี้เท่านั้นเป็นผู้สูงสุดกว่าสรรพสัตว์เป็นทักินายะบุคคลผู้เลิศในโลกสารณะเป็นอันผู้นั้นถือเอาแล้วนะครับส่วนผู้ไหว้โดยสําคัญว่าเป็นญาตินะไปกราบไปไหว้ใครว่าเออนี่ญาติเรานะแล้วก็โอ้โหเป็นภยัยเป็นอาจารย์ทําไม่กราบเนี่ยนะมีภัยแน่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาจะด่าเอานะครับก็กราบสันหน่อยเป็นต้นเนี่ยนะหรื อ, อว่าเป็นอาจารย์ก็หาชื่อว่าถึงสารณะไม่นะครับขออนุ ญ, ญาต บางเท่เขาบอกว่าเอเรานี่มันเป็นเป็นหลานเป็นญาติของพระราหุนอย่างเงี้ยมีอะไรก็ให้กรณีในกล่าวถึงเหตุแห่งความเพียรนะครับก็อธิบายในลักษณะนั้นเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะได้ว่าเออเราเนี่ยนะมีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อนะเนี่ยะเป็นพ่อคือเป็นผู้เลิศเนี่ยนะมีพระเจ้าสุโธทนะเป็นปู่มีพระราหุนพัทะเป็นพี่นะครับมีพระสารีบุตรเป็นต้นเป็นประธานเนี่ยนะ ก็ลักษณะนี้เราจะมาขี้เกียจกี้คร้านอย่างนี้ได้ยังไงนะครับเป็นต้ตนนั่นเองนะครับก็คลนลนายกันแต่ก็บ่งถึงว่าผู้ที่มั่นคงในในคุณของพระรัตนตรัยนะครับเมื่ออุบาสกหรืออุบาสิกาพูดถึงสาระอย่างนี้เมื่อไหว้ญ า, าติผู้แม้บวชในสำนักเดียร์ถีทั้งหลายด้วยคิดว่าผู้นี้เป็นญาติของเรา สารณะย่อมไม่ขาดจะป่วยกล่าวไปลายถึงสารณะของผู้ที่ไหว้ผู้ที่ไม่ได้บวชในสำนักของเดรธีเป็นต้นนะครับคือผู้ที่สมมุติว่าว่ายคนคริสต์ไหว้คนอิสลามหรือไหว้คนาศาสนาในไหนก็ไหว้ในฐานะเขาเป็นญาติเป็นครูบาอาจารย์เป็นต้นเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ได้ไหว้ในฐานะเป็นสาระอะไรอย่างนี้สาระก็ไม่ได้ขาดอะไรหรอกครับเมื่อไหว้พระราชาเพราะกลัวก็เป็นเช่นนั้นคือสารนไม่ขาดเพราะว่าพระราชานั้น เมื่อไม่ไหวคงจะทำอนัตถาให้ก็ได้นะครับไม่ไหวเดี๋ยวสังเคียด น, นะแย่เลยเพราะผู้ที่เป็นพระราชานะครับเป็นผู้ที่ราษฎรบูชากลาบไหวเนี่ยนะ ด, นดังนี้อันหนึ่งเดี๋ยวีผู้ให้การศึกษาศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงจะไหวสารณะก็ไม่ขาดประเภทของสารณะคมพืงทราบด้วยประการดังพันาา ม, มาชนี เพราะฉะนั้นเช่นลูกหลานที่ไปเรียนตามโรงเรียนของาศาสนาต่างๆนะครับเป็นต้นเนี่ยนะคือเรียนวิชาการทางโลกไม่ได้ไปเรียนวิช า, าศาสนาแต่ทีนี้ก็กราบไหวในฐานะเขาเป็นครูอาจารย์ในศาสนาก็ไม่ขาดนะครับแต่ถ้าเมื่อไร่เขาบอกวังหูนี่ยอดแล้วสุดยอดอยู่เท่านี้แหละนั่นะขาดแล้วนะครับก็ปกติก็เข้าไม่ถึงและจะขาดได้ยังไงล่ะครับ มันขาดตั้งแต่ต้นแล้วมไม่เ ค, <า>มเคยมีเลยจะขาดได้ยังไงไม่ได้ผูกเลยนะจะขาดได้ยังไงนะไม่ได้ถึงแล้วจะจะขาดได้ยังไงคก็เป็นกรรมของสัตว์ก็แล้วกัน ก, ก็ในสารณครมสองอย่างนี้โลกุต ร, สระสารณคมมีสามัญผลสี่เป็นวิบากนะครับเป็นวิบากผลคือเป็นอนิสงฆ์นะครับมีความสิ้นไปแห่งทุกทั้งมวลเป็นอนิสงสผล สมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไ้ว่าผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะนั้นะนั่นเป็นสารณะอันกเกษมนั่นเป็นสารณะอันสูงสุดนะครับเพราะว่าเมื่อเขาถึงสารณะอย่างนี้แล้วก็จะรู้ทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเพราะอาศัยการเข้าถึง เพราะอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั่นแหละเป็นสารณะเขาก็เลยพ้นจากทุกทั้งมวลได้นะครับในอคิทัตอคทัตในคาถาธรรมบทนะครับอคิทัตพรามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ถึงโลกุตระสารณะคมจริงๆเนี่ยนะครับวิบากหมายถึงสามัญญผลสี่นะครับถ้าถึงสารณะจริงๆที่เป็นโลกุตระก็มีโสดาปฏิพลสกทาค า, ามีผลอนาคามีผลอรหัตผล น, นั่นแหละเป็นวิบากผล และก็หลุดพ้นจากวัตถุทุกทั้งหมดนี่เป็นอนิสังสรผลของการถึงโลกุตระสารณคมนะครับอีกอย่างหนึ่งอนิสังสารผลแห่งโลกุตระสารณคมนั้นเพื่งทราบด้วยคมสา ม, มารถแห่งการไม่เข้าถึงสังขารโดยความเป็นของเที่ยงเป็นต้นสมดังคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าดูกวานพิสูจนทั้งหลายไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ คือพระโสดาบันบุคคลเนี่ยนะครับจะพึงเข้าถึงสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งโดยความเป็นของเที่ยงนะครับท่านจะไม่สำคัญผิดเลยนะว่าสังขารเนี่ยเที่ยงหรือว่าเข้าถึงสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งโดยความเป็นสุขนะครับด้วยอำนาจของทิฐิเนี่ยนะครับไม่มีเข้าถึงธรรมะบางอย่างโดยความเป็นอัต t าก็ไม่มีนะครับเข้าถึงธรรมะโดยความเป็นอัต t าก็ไม่มี หรือว่าจะปรงชีวิตมารดาปรงชีวิตบิดาฆ่าพ่อข่าแม่ข่าพระอารหันต์มีจิตคิดประทุษร้ายทำเลือดของพระพุทธเจ้าให้ห้อก็ไม่มีนะครับหรือว่าจะอ้างคือนับถือาศาสนาอื่นนะครับนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้นะครับที่จะหันไปนับถือคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ฐานะนะครับ อันนี้ก็คืออา น, นิสงค์ของโลกุตระสารณาคมเนี่ยนะครับคือว่าเป็นผู้ที่ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบจริงๆนะครับตั้งแต่เป็นทโศดาบันไปแล้วเนี่ยนะครับจะถึงความเป็นอุชูปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนจริงๆนะครับส่วนโลกิยาสารณาคมนั้นมีพบสมบัติบ้างนะครับถึงพร้อมด้วยภพนะคือทําให้มาเกิดเป็นอะไรครับเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเป็นต้นนั่นแหละหรือว่าภพคสมบัตินะครับเป็นผลเหมือนกัน สมดังคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งชนเหล่านั้นจักไม่ไปสู่อบายภูมิเขาละร่างกายอันเป็นของมนุษย์แลว้วจักยังกายทิพให้บริบูรณ์นะครับนี้ก็มีข้อความนี้ในพระสูตรหลายแห่งนะครับเช่นในมหาโควินทสูตรนะครับมหาโควินทสูตรหรือว่าพระสูตรใกล้ๆ ก, กันแถวนั้นนะครับก็มี พระธรรมสังฆหากาอาจารย์ก็ได้กล่าวคำแม้อื่นไว้อีกว่าครั้งนั้นแล้ท้าสั ก, กะจอมเทพพร้อมด้วยเทวดา8 4 0 0 0พันที่จริงก็มีเทวดาหลายชุดนะครับเข้าไปหาพระมหาโมคคลานะถึงที่อยู่เสร็จแล้วท่านพระมหาโมคคลานะก็ได้กล่าวคำนี้กับท้าสักกะจอมเทพผู้ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าขอถวายพระพรท่านจอมเทพการถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งเป็นการดีแลดูก่อนจอมเทพ เพราะเหตุแห่งการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะแลสัตว์บางจําพวกจึงเข้าถึงสุคติคือโลกสวรรค์หลังจากตายแลว้วเพราะร่างกายแตกสลายไปด้วยประการนี้นะครับอันนี้ก็เป็นผลของการถึงไตรสารณคมก็ทําให้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นั่นแหละครับพวกเขาจะได้รับทิพย์อย่างอื่นอีก10สถานนะครับอันนี้สองอย่างอื่นที่เป็นทิพย์สิอย่างคืออายุทิพย์วันนะทิพย์สุขทิพย์ยศทิพย์อธิปไตยทิพย์ รูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพโพธะพะทิพวิธีจำง่ายๆนะจำอารมณ์ห้าก่อนรูปเสียงกลิ่นรสและโพธะพะหอย่างยใช่ไหมครับอายุวันณสุขะอายุวนนัสุขก็บวกยศเข้าไปแล้วก็ความเป็นใหญ่ท้งนี้ก็จะจำได้ทั้ง1ิบเลยนะครับเพิงพ่งทราบความพิเศษแห่งผลของสารณคมด้วยสา ม, มารถแห่งเวลามาสูตรเป็นต้นนะครับนี้เป็นผลของสารณคมนะครับ ก็อย่างในเวลามาสูตรก็จะชี้ให้เห็นชัดเจนใช่ไหมครับว่าทานของเวลามาพรามที่ให้มหาศารเนี่ยนะครับให้แต่ละอย่างมากมายเนี่ยนะเรือนหมื่นเรือนแสนเรือนโกดเนี่ยนะครับการให้ของเวลามาพรามนั้นอ่ะสู้ให้อ่าผู้ที่ถึงพร้อมด้วยที่ถี่คือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันคนเดียวไม่ได้นะครับทีนี้ให้แก่พระโสดาบันคนเดียวก็สู้ให้กับพระโสดาบันร้อยร้อยคนไม่ได้ให้กับพระโสดาบัน ร้อคนก็สู้กับพระสกาทาคามีคนเดียวไม่ได้พระสกาทาคามีร้อยคนก็สู้พระอนาคามีองค์เดียวไม่ได้เป็นต้นนะครับจนถึงว่าให้ทานแก่พระอรหันต์ให้ทานแก่พระประเจกับพุทธเจ้านะครับถ้าสำนวนนะบอกว่าพระประเจกับพพุทธเจ้าเนี่ยนะครับนั่งอยู่ครึ่งจักรวาล น, นะถวายกับพระพุทธเจ้าองค์เดียวเนี่ยนะพระพุทธเจ้ามีผลมากกว่านะครับ สมมุติว่าสัตว์ทั้งโลกเลยนะเป็นพระอรหรันต์เป็นพระปัจเจ ก, กับพระพุทธเจ้าเป็นพระสาวกทั้งหลายและเนี่ยนะครับถ้าจะให้แบบปาตินะให้กับพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะครับมีผลมากกว่าทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วนะครับทีนี้ให้ทานแก่พระพุทธเจ้าองค์เดียวก็มีผลสู้กับถวายสังฆทานมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไม่ได้ให้ทานแก่พระสงฆ์มีพระผู้มีพระภาคเป็นประมุขก็มีอ น, นิสงส์น้อยกว่าการถวายวิหารทานแก่สงฆ์ที่มาจากที่ทั้งสี่ การถวายวิหารทานแก่สง์ที่มาจากทิศทั้งสีเนี่ยนะครับก็มีอนิสงส์โซ่ถึงสารณคมไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าถึงไตรสารณคมและมีศีลด้วยจะดีขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนะครับนะครับถ้าถึงไตรสารณคมด้วยมีศีลด้วยแล้วก็เจริญเมตตาด้วยก็จะมีอนิสงส์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นการถึงไตรสารณคมเนี่ยนะครับมีอนิสงส์มากกว่าการถวายวิหารทานนะครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าการถึงไตสรสารนาคมเนี่ยนะครับเป็นเหตุแห่งอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยครับสุขติโลกสวรรค์แล้วก็โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับจะหักเหสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ของเขาออกไปพระธรรมคําำคำสอนก็จะให้อยู่ในประโยชน์ทั้งหลายพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อบุคคลให้ทานเป็นต้นก็จะได้รับผลมากจากได้รับอานิสงฆ์มากนะครับ ก็ในสองอย่างนี้โลกิยะสารณาคมจักเศร้าหมองด้วยความไม่รู้ความสงสัยและความเห็นผิดในวัตถุ3ประการพระตนะตรายเป็นต้นไม่โชดช่วงไม่กว้างขวางนะครับถือถ้าไม่รู้คุณของพระตนะตรายสงสัยในคุณของพระตนะตรยัยหรือเข้าใจผิดในคุณของพระตนะตรยัยอันนี้ก็ไม่มีผลมากไม่มีอ น, นิสงมากนะครับไม่ชดช่วงไม่กว้างขวางอย่างเงี้ยเศร้าหมองเต็มทีแล้วนะครับ ถ้าไม่รู้คุณสงสัยแล้วเข้าใจคุณของพระรัตนตรัยผิดพลาดไปอันนี้เนี่ยเศร้าหมองแล้วนะครับเหมือนกับผ้าที่มันเศร้าเหี่ยวเฉาแล้วนะครับส่วนโลกุตระสรารณาคมไม่มีความเศร้าหมองเพราะอะไรครับเพราะพระรยะเนี่ยท่านจะไม่คิดเป็นอื่นในพระรัตนตรัยเด็ดขาดนะครับอันหนึ่งการขาด แห่งโลกียาสารณคมเนี่ยมี2 อ, อย่างนะครับขาดคือขาดแบบมีโทษกับขาดแบบไม่มีโทษในการสองขาดสองอย่างนี่นะครับการขาดที่มีโทษมีได้เพราะการมอบตนในาศาสนาอื่นเป็นต้นนะครับและความขาดที่มีโทษนั้นมีผลที่ไม่น่าปรารถนะคือหันไปนับถือาศาสนาใหม่นะครับหันไปนับถือลัทธิใหม่คําสอนใหม่ต่างจากพระตนะรายนี่แหละครับนี่เรียกว่าเป็นการขาดที่มีโทษ นะครับแล้วก็มีผลที่ไม่น่าปรารถนาก็เปลี่ยนลัทธิไปแล้วนะครับเปลี่ยนจากสัมมาทิฏฐิไปเป็นมิจฉาทิฏฐิซะแล้วจะได้ดีได้อย่างไรส่วนความที่ไม่มีโทษมีได้เพราะถึงแก่กรรมขาดแบบไม่มีโทษก็คือตายไปกับสันนันั่นแหละความขาดนั้นไม่มีผลเพราะไม่มีวิบากส่วนโลกุตรสาสันนคมไม่มีการขาดเลยเพราะว่าพระอริยาสาวกแม้ในภพอื่นก็จะไม่อ้างาศาสดาอื่นว่าเป็นสันนนะครับจะไม่หันไปนับถือใครอื่นเลย เพราะฉะนั้นเพื่งทราบความเศร้ามองและความขาดแห่งสรารณคมดังพรนานามานี้นะครับว่าจะเศร้ามองเศร้ามองเพราะอะไรครับเศร้าหมองเพราะไม่รู้เพราะสงสัยและเข้าใจผิดนะครับถ้าจะขาดก็ขาดเพราะหันไปนับถือศาสนาอื่นนะครับส่วนความผ่องแผ่ก็มีได้เพราะโลกิยาสารณคมเท่านั้นเพราะว่าความเศร้าหมองเกิดแก่โลกิยาสารณคมใดความผ่องแผ่วพึงมีเพราะโลกิยะสารณคมเท่านั้น ส่วนโลกุต ร, สระสารณะคมของแผ่วอยู่เป็นนิชชนิแลนะครับคือคนที่มีความรู้คุณของพระตนะตรายก็ผ่องแผ้วนะครับไม่มีความสงสัยในคุณของพระตนะตรายก็ผ่องแผ้วไม่เข้าใจผิดในคุณของพระตนะตรายก็ผ่องแผ้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าใจคุณของพระตนะตรายก็ดังบรรยายมาประมาณ8ข้อที่กล่าวมาแล้วนะครับ8ดข้อนั้นก็ทบทวนนะครับอะไรบ้างหนึ่ง นะครับแดข้อที่ว่านะหสารณะสองสารณะคมสพูดถึงสารณะคมสประเภทแห่งสารณะคมหผลหรือผลผลของการถึงสารณะคมหความเศร้ามองของสารณะคมเจการขาดแห่งสารณะคมแล้วก็8ความผ่องแพ้วแห่งสารณะคมนะครับก็จะเป็นผู้ที่มั่นคงนะครับพระธรรมเทศนาในสูตรนี้นะครับพระคุณเจ้าทั้งหลายควรรู้เป็นอย่างยิ่งนะครับ ก็จะได้แนะนำญาติแนะนำอะไรเป็นต้นได้ถูกต้องนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับเราก็เป็นผู้ประทุษร้ายตระกูลนะถ้าทำไม่ดีถามว่าประทุษร้ายตระกูลนี้เป็นอย่างไรก็คื อ, อไปชักชวนให้เขาเป็นอื่นจากพระตนะตรัยนะครับเช่นให้เขามานับถือเราเต็มที่เนี่ยนะครับนั่นแหละครับเรียกว่าประทุษร้ายตระกูลเพราะฉะนั้นไอ้ประทุษรายตระกูลเนี่ยก็เหมือนกับในสังขาธิเสศสิกขาบทที่13นะครับ เช่นภิกษุไปอยู่หนะ้าที่แห่งใดแห่งหนึ่งก็เป็นผู้ประทุษร า, ายตะกูลนะครับด้วยการประจบคารวะทั้งหลายโดยประการทั้งปวง น, นันนานเข้าคารวะาเหล่านั้ น, น, นก็หันเหจากการนับถือพระรัตนตรยัยมานับถือบุคคลแทนนะครับมานับถือบุคคลนั้นแหละแทนก็สภาพจิตทั้งหลายก็ไม่ได้ค่อยคํานึงถึงคุณของพระรัตนตรัยแล้วนะครับทําไปก็สักแต่ว่าเป็นพิธีกรรมแต่ความยำเกรงในพระรัตนตรัยเป็นต้นนี้ลดลงไปถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าเสียหายแล้วนะครับ เสียหายก็ไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดผู้หนึ่งทำให้คนอื่นเขาเสื่อมจากพระรัตนตรัยน่าจะมีโทษมหาศาลเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะคนนั้นก็น่าจะเสื่อมจากพระรัตนตรัยนานแล้วด้วยนะครับรวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับ